12. ทุบพดศิกขาบทว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายากเรื่องพระชนะ424สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระชนะประพฤติไม่สมควรภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าท่านชนะท่านจะได้กระทำอย่างนี้ การกระทําอย่างนั้นไม่สมควรท่านพระชนะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านสําคัญว่าผมเป็นผู้ที่พวกท่านควรว่ากล่าวตักเตือนหรือผมต่างหากสมควรว่ากล่าวตักเตือนพวกท่านพระพุทธเจ้าเป็นของผมพระธรรมเป็นของผมพระธรรมอันพระลูกเจ้าของผมเป็นผู้ตรัสรู้แล้วพวกท่านต่างชื่อต่างโคตต่างชาติต่างตระกูล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 พระลูกเจ้าของผมเป็นผู้ตรัสรู้แล้วบรรดาภิกษุผู้บักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังไฝ่าการศึกษาพากันตนําหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยท่านพระช น, นะเมื่อภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมจึงทําตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้เล่าครั้นภิกษุทั้งหลายพากันตนําหนิท่านพระช น, นะโดยประการต่าง แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ